อยู่วัดหางน้ำสาครมีสภาพโผพังเกือบจะไม่มีอะไรเหลือหลอท่านมาอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ปลากฎวัดนั้นรุ่งเรืองมาอยู่ที่วัดศรีวิชัยในสมัยก่อนนั่นและก่อนหน้านั้นเต็มไปด้วยความยุ่งระยกมีทั้งยุ่งแล้วก็มีทั้งยากแต่ว่าพอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด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 เห็นว่าดีเจอหน้ากันคราวไรก็บนว่าผมมาทันท่านไม่มีโอกาสไปจังหวัดอุทัยธา น, นีเป็นนพระองค์นี้หนักไปทั้งศีลหนักทั้งสมาธิหนักทั้งวิปาาัสนาญาณพราะว่าท่านโทษถ้าพูดไปนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นอดอุตริมโนตธรรม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 เห็นหน้ากันคราวใดก็คุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมจังนั้นขอบัรดาท่านนันไลที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ตายเนี่ยดูท่านจะคุณสุชัยมณีเจ้าณจังหวัดเชนนาตอยู่ดีๆท่านก็ตายดันั้นในการยเยรอาหาเรยปฏิโกสัญญาตอนท้ายก็คอยท่านนังหลตัดตัณหาคือความอยาก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 สองวิริยะความเพียรสามจิตตะใจจดจ่อในสิ่งนั้นห้าวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลหาความจริงไว้เสมอนี่เราไม่ใช่ที่บาตรสี่จุดไหนละดีตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียร์สัญญอดสิสัญญอดสิมีอะไรบ้างสัโยอดสิบนี่ต้องนิกทุกวัน ลืมตาขึ้นมาใช้จิตใจของเราพิจารณาอารมใจว่าอารมใจของเรายังคล่องยังติดอยู่ในสังโยชนิพฤก า, าข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่แต่ยังมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังพอใจก็แสดงว่ายังเร็วเกินไปไม่สมควรกับที่เป็นศาส์กายบุตรพุทธจโนรรถ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 สู้เราไปนีผ่านไม่ได้ถ้าอารมณ์ใจเขามันได้แต่พุทธบริษัทแทนหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันรือสกิทาคามีถ้าพูดให้ย่อลงมาอีกนิดหนึ่งเขามันเข้าใจง่ายๆวันหนึ่งนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้เสมอ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 แล้วก็มีความสงสารตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบร ม, มโลกระเชษมีอารมณ์พรอยินดีในความดีของคนอื่นไม่ชาดเสียมีอมุเบกาวางเฉยคือกระทบกระทั่งอา ร, รมณ์ที่เราไม่ถูกใจเพียงเท่านี้ท่านนันหลก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าถึงอนาคามีนี้ตายจากคนไปเกิดเป็นธรรมดาเอลผม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 ก็อขอแนะนําได้เพียงโดยย่อขอได้ความเพียงเท่านี้การปฏิบัติต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยช่วยให้มีความสุขมสมเร็จมรผลทางว่าบรรดาท่านพุทธศาส น, นิกชนมีที่บาดศีไปจำใจเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีอะไรที่ยากต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาค